ตอนที่27่ิวิวามงคลได้ได้ยินแล้วเจ้าค่ะเจ้าจงซาวซิงตอบกลับอย่างขาดเขาวเจ้าชุนฮวาไม่ได้สนใจพวกเขาอีกนางลากเจ้างุนชงเข้าห้องเพื่อปรึกษาเรื่องงานแต่งงานว่าจะจัดอย่างรดีนี่เป็นงานมงคลเทียงงานเดียวของครอบครัวในรอบหลายปีดังนั้นต้องจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเจ้าชุนฮวาเอ่ยถึงครอบครัวเดิมของหลีชิงถิงขึ้นมาหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่จะไม่แจ้งทางบ้านเดิมของนางศักหน่อยหรือเจ้หยุนชงตอบรับด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำ ลืมชิงถิงบอกว่ายังไม่ต้องแจ้งที่บ้านนางมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับทางนั้นตกลงเอาตามที่นางว่าเจ้าชุนฮวาไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ชิงถิงย่อมมีเหตุผลของตนเองยุนงชมความปรารถนาสูงสุดของแม่คือการได้เห็นเจ้าเป็นฝั่ ง, เ ป, งเป็นฝาตอนนี้ความหวังก็เป็นจริงเสียทีพวกเจ้าต้องครองรักกันให้ดีนะเจ้าชุนฮวาตื้นตันจนขอบตาเริ่มแดงนางชอบชิงถิงและเสียหวันจากใจจริงเรื่องที่เด็กๆจะยอมรับนั้นต้องใช้เวลาแน่นอนพวกเราค่อยเป็นค่อยไปเถอะ เจ้างุญชงเข้าใจดีสําหรับเด็กๆแล้วสองแม่ลูกฉิงผิงอาจจะยังเป็นคนนอกการปรับตัวเข้าหากันย่อมต้องใช้เวลาซึ่งเขาเตรียมใจไว้แล้วบ้านพักที่เจ้าขอไปค ง, งยินจัดการไม่เสร็จก่อนแต่งงานหรอกแต่งแล้วขอย้ายไปก็ยังไม่สายที่บ้านไม่ใช่ว่าไม่มีห้องให้พักตอนนี้เจ้างุนชงพักอยู่ที่ห้องฝั่งตะวันตกส่วนเสี่ยวหว่านจะพักที่ห้องฝั่งตะวันออกชั่วคราวแน่นอนว่าเป็นการพักเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาพวกนางต้องย้ายไปยังบ้านใหม่ของพวกเขา เจิ้งหยุนชงแจ้งข่าวงานแต่งงานไปทั่วทันเขตทหารจากการคำนวณเบื้องต้นเขาต้องจองโต๊ะที่ร้านอาหารของรัฐถึงยี่สิบโตะ๊ะนี่ขนาดไม่ได้รวมญาติฝ่ายเจ้าสาวเข้าไปด้วยลีชิงผิงได้ยินแล้วถึงกับตกใจยี่สิบโตะ๊ะถ้าโต๊ะละสิบคนก็คือ200ยกว่าคนเลยนะตืมประมาณนั้นแหละเจิ้งหยุนชงพยักหน้าเบาๆวันแต่งงานอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้าเหนื่อยก็พาลูกกลับมาพักผ่อนที่บ้านก่อนได้เดียวพวกญาติสนิทมิจะสีหายค่าจะรับรองเอง ลี่ชิงถิงรู้สึกถึงการได้รับความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนแต่งงานครั้งแรกนางไม่ได้จัดงานใหญ่โตขนาดนี้มีแต่จะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่เมื่ออยู่กับเจิ้งหยุนชงนางกลับรู้สึกว่าตนเองมีค่าอย่างยิ่งแล้วลานบ้านเล็กๆนี่ก็ปล่อยเช่าไปเจ้าคิดว่าอย่างไรหากไม่ปล่อยเช่าทิ้งไว้เฉยๆก็เสียเปล่าค่าเช่าต่อปีอย่างน้อยก็น่าจะได้สักหนึ่งร้อยหยวนเงินส่วนนี้ให้ชิงถิงเก็บไว้เองอืมได้ค่ะลีชิงถิงก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนกัน นางเคยถามลูกสาวว่าควรขายลานบ้านเล็กๆนี้ทิ้งดีไหมน่าจะขาดทุนไม่เท่าไร่แต่เสียวหวานปฏิเสธทันทีลิวหวานรู้ดีว่าบ้านในตัวเมืองจะราคาพุ่งสูงขึ้นในอนาคตที่ดินผืนนี้จะราคาพุ่งขึ้นหลายสิบเท่าดังนั้นห้ามขายเด็ดขาดอีกอย่างสําหรับสองแม่ลูกการมีบ้านกับไม่มีบ้านนั้นต่างกันมากมันคือความมั่นคงและศักดิ์ศรีลีชิงพิงและเจิ้งหยุนชมยุ่งกับการเตรียมงานแต่งงานลิวหวานเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนางตามพวกเขาไปซื้อของที่จําเป็นต้องใช้ตลอดทั้งวัน แม้แต่รูปแต่งงานที่กำลังเป็นที่นิยมเจิ้งหยุนชงก็จัด ก, การให้หลีชิงผิงเอาต่บ่นว่าสิ้นเปลืองเกินไปคลิปตาเดียวก็ถึงวันมงคลหลี่วันตื่นแต่เช้าเพื่อมาช่วยแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัวกี่เพาปักสีแดงที่อยู่บนร่างของหลีชิงผิงขับเน้นรูปร่างให้ดูมีส่วนว่ส่วนโค้งที่งดงามดูไม่เหมือนคนเคยมีลูกเลยสักนิดพื้นฐานของหลีชิงผิงดีอยู่แล้วยิ่ง ด, ดื่มน้ำผู้วิ ญ, ญญาณมาเป็นเวลานานทิวพันของนางจึงขาวเนียนเต่งตึงทั้งตัวแผ่ซ่านไปด้วยสง่าราศีแม่สวยจริงๆคะ หลิหวันเอ๋ยชมจากใจจริงลิชิงพิงยิ้มบางๆผมยาวถูกกล้าขึ้นไว้ด้านหลังประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่นิยมกันในสมัยนั้นนางมองตัวเองในกระจกแล้วยังรู้สึกไม่ชินสวยจริงๆนั่นแหละคนที่มาช่วยเตรียมงานล่วงหน้าคือคุณน้าเล็กของเจิ้งหยุนฉงเน่องจากทางฝั่งลีชิงพิงไม่มีญาติผู้ใหญ่นางจึงมาช่วยน้าเล็กทาไมท่านก็ล้อข้าเหมือนเสียวันล่ะคะลีชิงพิงหน้าแดงด้วยความเขินอายน้าพูดความจริงน้าเล็กมองสำรวจลีชิงพิง ยินชงของน้ามีวาสนาจริงๆที่ได้แต่งงานกับเมียที่สวยขนาดนี้ต่อไปพวกเจ้าก็ใช้ชีวิตคู่กันให้ดีนะหวังว่างานเลี้ยงมงคลครั้งหน้าจะได้ไปร่วม ง, งานฉลองครบเดือนของลูกพวกเจ้านะหลีชิงผิงหน้าแดงกำ่ำทันใดนั้นช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกหลีชิงผิงชะ ง, งักด้วยความสงสัยมาแล้วหรือเมื่อคืนคุยกันว่าประมาณแปดโมงไม่ใช่หรือทำไมมาเร็วนักหลีหว่านได้ยินเสียงมาจากลานบ้านข้างๆนางจึงเดินไปดูที่หน้าต่างแล้วก็ใช่จริงๆ โจวเจี้ยนเยียรับเจ้าสาวคนใหม่กลับมาถึงบ้านในเวลานี้แล้วทำไมรับเจ้าสาวกลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะน้าเล็ของเจิ้งพุณพำมต้องไปรับตั้งแต่กี่โมงกันไปรับตอนมืดค่ําหรืออย่างไรทำตัวเหมือนมีความลับที่เปิดเผยไม่ได้ดูสิข้างนอกแทบไม่มีคนมามุงดูเลยลีชิงพิงสายตาไหววูบแต่ไม่ได้พูดอะไรประมาณแปดโมงเช้าเจิ้งหยุนชงก็มาถึง รถยนต์สองคันจอดสนิทอยู่ที่หน้าประตูบ้านบรรยากาศการรับเจ้าสาวเป็นไปอย่างคึกคักลีชิงพิงไม่ต้องให้เจ้างุนชงเปลี่ยนคำเรียกขานเขาสามารถอุ้มเจ้าสาวไปได้เลยขณะที่เดินออกมาที่ลานบ้านฝั่งบ้านข้างๆที่กำลังจัดงานมงคลอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นสถานการณ์ทางนี้พอดีกำแพงบ้านค่อนข้างเตี้ยทําให้มองเห็นได้ชัดเจนช่างประจบเหมาะเหลือเกินที่ลิวเคิรเคิรเหลือไปเห็นลีชิงพิงถูกเจ้างุนชงอุ้มอยู่ในอ้อมแขนทั้งที่นางอายุน้อยกว่าลีชิงพิงหลายปีแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองดูแกกว่าลีชิิงงเสีียอก เอ๊ะดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันดีจริงๆบ้านข้างๆก็จัดงานมงคลเหมือนกันหนิวซูเฟินเอ๋อขึ้นด้วยความประหลาดใจนางจำหลีชิงผิงไม่ได้เลยหลีหวานเจชุนของตาเวเหลือไปเห็นหลานสาวตัวน้อยหลีหวานนางขมวดคิ้วทันทีเด็กนี่มาทําอะไรที่นี่หรือว่าจะมาปวดงานเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าชุนหงก็ยอมไม่ได้นี่เจชุนหงตะโกนเสียงดังเดินไปที่กำแพงเตี้ยแล้วชี้หน้าหลีหวาน วันนี้เป็นวันมงคลของพ่อแกถ้าแกกล้ามาปวดหลักก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจนะหลหวันมองนางด้วยสายตาเหมือนมองคนบ้าผู้หญิงคนนี้ประสาทกลับจริงๆเจิ้งหยุนฉงที่อุ้มหลีชิงผิงเดินไปเกือบถึงประตูบ้านชะงักเท้าแล้วหันกลับมามองเสี่ยวหวานพ่อขามาแล้วคะ่ะหลิวันนกร้านจะสนใจโจชุนของวันนี้เป็นวันมงคลของแม่นางนางจะไม่ถือสาหาความกับคนโม่คนนี้พ่อแม่ได้ยินหรือเปล่าหลิวันเรียกคนอื่นว่าพ่อ เดี๋ยวก่อนนั้นนั่นมันสมองของโจชุนของเริ่มประมวลผลไม่ทันหลีหวันเรียกคนอื่นว่าพ่อแล้วหลีชิงผิงละโจเจี้ยนเยี่กับหลิวเคอเคอไม่มีญาติพี่น้องมาร่วม ง, งานการรับตัวกลับมาก็แค่ให้คนในครอบครัวกินข้าวเที่ยงด้วยกันที่บ้านหลิวเคอร์เคอมองหลีชิงผิงด้วยสายตาอิจฉาริษยานางถูกรับตัวมาด้วยจักรยานแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้นั่งรถยนต์หยุดนะหนิวซูเฟินเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงตะโกนเรียกให้หยุด ขบวนรับเจ้าสาวของตระกูลเจ้งมีประมาณสิบกว่าคนทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลีชิงผิงถูกเจิ้งหยุนชงอุ้มเข้าไปในรถแล้วเขาปลอบนางด้วยเสียงต่ำว่าไม่เป็นไรลีหวานเดินไปที่ข้างรถขณะที่พวกหนิวซูเฟินวิ่งตามออกมาลีหวานเจ้าเรียกใครว่าพ่อและแม่นางแพทย์ยาของเจ้าหายไปไหนนั่งแกะผู้จาให้มันสะอาดหน่อยอย่าทาตัวไรยางอายนักอย่ามาขวางงานมงคลบ้านเราใส่หัวไปซะ